เวลาเรามองฟังหรือว่าสัมผัสอะไรก็ตามเราไม่ใช่แค่รับรู้ด้วยตาด้วยหูด้วยกายอย่างเดียวมันมีการปรุงแต่งที่ใจเข้าไปด้วย อาจจะว่าใจนี้เป็นตัวนำเลยนะไม่ใช่แค่ปรุงแต่งเฉยๆเป็นตัวนำกํากับการมองการได้ยินที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงเจตนานนะเจตนานนะันก็อันหนึ่งแต่ว่าเราจะเห็นอะไรได้ยินอะไรนี่ก็ขึ้นอยู่กับใจของเราด้วยซึ่งบางทีมันก็ละเอียดมาก เราก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำเขาเคยมีการทดลองให้ดูไพ่ที่แจกแจกไพ่เปิดไพ่ให้ดูทีลใบทีลใบก็เปิดแบบเร็วอันนี้ไพ่ที่เขาเปิดให้ดูนี่มันมันไม่ใช่ไพ่ที่ปกติธรรมดา เพราะว่าบางบางใบนี่มันก็อย่างเช่นดอกจิกนี่ปกติมันสีดำาน่แล้วก็ทำให้เป็นสีแดงเป็นสามดอกจิกนี่เป็นสามดอกจิกสีแดงหรือว่าข้าล้ลาตัดมีบางภายบางใบมันก็ เป็นสีเป็นสีดำหัวใจก็เหมือนกัน น, นี่ก็เป็นเป็นสีดำแซรกๆก้อนปนเข้าไปก็เปิดให้คนที่ดูทีละายทีละายทีละายก็ส่วนใหรือยว่าถ้าทุกคนก็ไม่เห็นเอกใจอะไร อันนี้ก็แจกไพ่ให้ช้าลงอีกหน่อยจนครบสำรับคนก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้สึกอะไรอันนี้พอให้ช้าลงใบละห้าวินาทีคนบางคนก็เริ่มเห็นความผิดปกติ แต่ว่าก็จะแสดงอาการออกมางงงวยบางคนก็ไม่เชื่อสายตาบางคนก็รู้สึกกระอักกระอ่วนนะก็ยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะจนกระทั่งเปิดช้าลงใบแล้ว ครึ่งนาทีครึ่งนาทีก็เลยรู้ว่าเอาอเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันก็น่าคิดว่าทำไมเปิดไพ่ดูทีแรกสองรอบแรกสามรอบแรกนี่คนไม่รู้สึกเอกใจอะไรทั้งทั้งที่เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าไอ้ดอกจิกนี่มันสีแดงบางใบหรือว่าข้าลหลามตัดนี่มันบางใบก็สีดำ คือมันปรากฏชัดแต่มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นข้อลําตัดสีดำแต่เห็นมันเป็นสีแดงเพราะว่าความเคยชินหรือว่าความคิดในใจสิ่งที่มีอยู่ในใจคือว่าข้อลําตัดมันก็ต้องสีแดง ดอกจีก็ต้องสีดำหรือว่าโพดําเนี่ยก็ต้องสีดำจะเป็นสีแดงไม่ได้บางทีก็ใส่สีใส่โพดําที่มีสีแดงลงไปคนก็ไม่เห็นผิดปกติเพราะว่าความคิดของคนทุกคนก็คิดว่าโพดัมก็ต้องสีดำดอกจีก็ต้องสีดำ ขนาดเห็นเป็นสีอื่นมันก็มันก็ยังเห็นเป็นสีดํอยนั่นแหละส่วนหัวใจที่เป็นสีแดงก็คิดอยู่ในใจหรือมีคคิดในใจหัวใจว่าต้องสีแดงนั่นเจอหัวใจสีดาก็ยังก็ยังเห็นเป็นสีดาเห็นเป็นสีแดงอยูนั่นแหละจนกระทั่งให้ดูช้าช้าให้ดูช้าๆ้าึงค่อยเอ แม้กระ น, นั่นก็ยังคิดว่าตัวเองมีปัญหาที่สายตาหรือว่าเรามึน ง, งงไปหรือเปล่านมาโทษตัวเองเก็ยังไม่ยอมรับง่ายๆว่าไอ้ที่เห็นนั่นเนี่ยมันเป็นดอกจิตสีแดงหรือว่าเข้าลําตัดสีดำยังไม่ยอมรับ เขาเรียกว่าไม่เชื่อสายตาอันนี้ก็เป็นการทดลองที่เขาเชื่อเห็นว่าคนเราเวลามองแล้วก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มองอย่างที่เห็นนะ น, นีมันไม่ได้มองอย่างที่ตาเห็นหรืออย่างที่เป็นจริงแต่ว่ามันจะมองเห็นตามความเชื่อของตัวคือเชื่อว่าดอกจิต สีดำมันก็เห็นเป็นสีดำอย่นั่นแหละทั้งทั้งที่บางใบมันเป็นสีแดงหรือเชื่อว่าก็ลําตัดมันสีแดงก็เห็นเป็นสีแด ง, งนั้นแหละทั้งที่บางใบมันเป็นสีดําคนลอยเห็นตามความเชื่อของตัวที่สะสมหรือว่าที่ปรุงที่ที่ปลูกฝังกันมา ก็ไม่เห็นอย่างที่มันเป็นดูบางทีก็ไม่เห็นเลยนอย่างที่เคยเล่าฟังให้คนเล่นบาสเกตบอลโยนไปโยงกันมาไม่มีใครเห็นเลย ว, ว่ามันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นมี คนสัชุกริลลาโผล่เข้ามาอยู่กลางวง 5-6 วินาทีคนก็ยังไม่เห็นเพราะว่าใจมันไปจดจ่ออยู่กับการนับ ก, การดูลูบัสเกตบอลหรือว่าแนวเร็วเดียวกันมันก็ไม่มีความคิดอยู่ในใจว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ปะปบบนแทกเข้ามา คือพอเราพอเราคาดหวังว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ผิดปกติไปจากนี้มันก็ไม่เห็นอะไรอันนี้เขาก็ทดลองทํหลายหลายๆแบบนะคนก็มองไม่เห็นหรือถึงเห็นก็เห็นไปอีกแบบหนึ่งตามความเชื่อหรือตามประสบการณ์ตามความคิดของตัวไม่ได้เห็นอย่างที่มันเป็น เวลาเรามองเราไม่ได้มองด้วยตาเรื่องเดียวนะมันมีการปรุงแต่งที่ใจเกิดขึ้นอยู่ตลอดอันนี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นด้วยตาแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินด้วยหูเราก็ไม่ได้ฟังด้วยหูอย่างเดียวมันมใจปรุงแต่งเข้ามาด้วยคาพูดบางคำบางทีเขาบอกว่าไม่แต่ว่าเรา เราจงเรามีความหวังว่าเขาจะพูดว่าใช่เราก็ได้ยินเป็นใช่ไปก็บอกว่าไม่แต่เราได้ยินเป็นใช่เพราะว่าใจเราอยากจะได้ยินแบบนั้นอันนี้ก็บ่อยไปหรือบางทีไม่ก็หายไปไม่มีก็เลยแต่ว่ามีเพราะใจมันอยากจะได้ยินแบบนั้นอ น, นี้ประสบการณ์เราก็เหมือนคงได้รับโลอยู่ เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยนบางทีตัวหนังสือมันสะกดผิดนะ <c oughs> กอไก่สิีนอนหนูบางทีเขียนเป็นกอไก่สลีมอมาหรือกอไก่สลีงองงูแล้วก็ยังอ่านเป็นกินอยู่นั่นแหละหรือชื่อคนนี่เขียนผิดบางตัวเราก็ยังมองไม่เห็นเราก็อ่านอ่าน อ่านเข้าใจได้ทำไมเราลองใช้เวลาตรวจเวลาอ่านหนังสือเนี่ยทำไมมีคำผิดออกมาแต่ว่าคนตรวจพูดมองไม่เห็ น, มนไม่ใช่เขาเล่อนเล่อแต่ว่าเวลาเขามองนี่เวลานเรามองคำนี่เรามองเป็นรวมรวม เช่นคําว่าเดินสเสลดออีกเนี่ยพอเห็นแค่นี้เนี่ยมันก็สรุปในใจแล้วว่าตัวที่ตามมาคือนอนหนูเท่านั้นที่มันจะเป็นมอมมะแต่ว่าเราก็อ่านไปแล้วว่าเป็นเดินอาจจะเป็นตัวงองงูแต่เราก็อ่านเป็นเดินเข้าเป็นละเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติหรือว่าเป็นคําผิดอะไรเพราะเราคุ้นกับคํานี้ว่าเดิน เราไม่ได้สะกดจีลตัวจีละตัวแต่เรามองรวมรวมั้นเราก็เลยแม้ยังคำสะกดผิดแต่เราก็ยังอ่านเป็นถูกไปได้เพราะว่าในใจเรามันมันมีความคิดเอาไว้แล้ว มันมีเรื่องเล่าคนสมัยสมัยชาวดาวินไปเดินเรือไปไปหมู่เกาะทะเลใต้นั่งเรือลำใหญ่ไปชาวเกาะนี่ มองไม่เห็นเรือนะจนกระทั่งเรือมาใกล้ๆถึงจะมองเห็นทําไมเรือลำใหญ่มองไม่เห็นจนกระทั่งมันมันโผล่มาใกล้มากๆถึงจะมองเห็นที่มองไม่เห็นเพราะว่าเขาเชาวเกาะ น, นี่ไม่เคยมีความคิดเรื่องเรือใหญ่ๆมันเห็นแต่เรือเล็กๆ ความคิดมันมีอยู่อย่างนั้นนะว่าเรือก็คือลำเล็กหน้าตาแบบนี้แบบนี้พอเจอเรือเดินสมุทรโผล่มาที่โผล่มาไกๆนี่มองไม่เห็นเพราะเขาไม่มีความคิดเรื่องเรือเดินสมุทรอยู่ในหัวเลยพอไม่มีเนี่ยทั้งนี่นมันปรากฏอยู่ที่ข้างหน้าก็ยังมองไม่เห็น นันี่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่จริงผู้จา้านี่ก็ท่านก็สอนไว้นานแล้วนะในหลักปฏิจจสมุปบาท น, นี่บอกว่าสังขาปปรเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณสังขารในที่นี่หมายถึงความคิดปรุงแต่งสังขาปปรเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณวิญญาณมายถึงการรับรู้ทางตาจมูกลิ้นกายและใจ เราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงแต่เราเห็นตามอำนาจอิทธิพลของสังขารด้วยความคิดว่าไพ่ดอกจิกสีดำความคิดว่าไพ่หัวใจเป็นสีแดงเนี่ยมันก็อยู่ในหัวเราอันนี้เรียกว่าสังขารเหมือนกันเป็นความคิดความเชื่อหรือทัศนคติที่ล้วนตั้งความอยาก ความโรคความหลงอันนี้ก็รวมเรียกว่าอยู่เป็นสังขารมันก็เป็นปัจจัยให้กับวิญญาณการรับรู้ของเรามันก็ถูกปรุงแต่งไปตามสังขารด้วยโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเราเกลียดใคร เราก็จะรับรู้แต่สิ่งที่ไม่ดีของเขาสิ่งที่ไม่เข้าท่าของเขาให้สิ่งดีๆของเขาเรามองไม่เห็นหรือว่าเห็นไปแบบหนึง่ง mm hmm. เวลาเขายิ้นก็มองว่าไอ้นี่มันมีเลซนัยไม่ได้มี ความยิ้มอย่างจริงใจอันนี้เพราะว่ามีอคติแฝงอยู่ในชีวิตจะไม่คงจะเจอแต่จริงแล้วมันลึกไปกว่า น, นั้นนะเพราะว่าสังขารนี่มันลวมไปถึงความคิดอย่างเช่นว่าความคิดความเชื่อว่าเสีงยงต่างมันเที่ยงมันเป็นตัวตนเป็นอัตตา อันนี้คือกสื่อสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในหัวเราเพราะความอยากอยากให้ทุกอย่างมันเป็นมันเที่ยงอยากทุกอย่างมันเป็นอัตตาโดยที่ความอยากนี้มันก็ฝังอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวพราะฉะนั้นเวลาเรามองอะไรเราก็เห็นเป็นอัตตามองเห็นเป็นสิ่งเป็นตุ้นเป็นแท่งเป็นเป็นตัวเป็นตนเป็นหมด พุทธเจบอกว่าสิ่งั้งปวนมันไม่ใช่มันไม่เทียมเป็นทุเป็นอนัตตาก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันถูกฟังหัวอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเลยไม่รู้กี่ชาติแล้วนะว่าสิ่งั้งปวนเป็นอัตาก็เห็นมันเป็นอัต า, านั่นแหละแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ เราจะมีคำในพุธศาสนาว่าเนี่ยมองสิ่งต่างๆ ต, ตามความเป็นจริงมองสิ่งต่างๆ ต, ตามที่เป็นจริงจะทาปูตยานทัศนะคือการมีทัศนะที่มองเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงไอจะมียาอย่างนี้ได้นี่ต้องผ่านการเจริญปัสสนาถ้ายังไม่ได้ปฏิบัต เฉลวิปัสสนานี่ก็จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นหรือตามที่เป็นจริงได้ให้เราอ่านดูแลฟังดูก็ไม่เชื่อเราก็เห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่แล้วนี่เราเห็นเสาเป็นเสาเห็นบ้านเป็นบ้านเห็นสัตว์เป็นสัตว์เห็นคนเป็นคนอันนี้เราเชื่อมองเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นจริงแต่จริงไม่ใช่มันถูกเคลือบพอกไปด้วย วิชาแล้วก็ปรุงสังขารตามมาให้สังขารก็ไปปรุงวิญญาณการรับรู้อย่างที่เล่า ม, อมือวันซึนว่าอสิตา่างๆนี่เวลามองเข้าไปใกล้ๆเพ่งพิพพจารณานี่มันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นหรืออย่างที่เราคิดอย่างเล่าว่าภาพ ขนมปังที่เบอร์เมียว่านีมันเหมือนจริงมากเลยว่าโอ้โหขนมปังมีรอยครุขระมีมีมีความมีความลึกเหมือนมากแต่มองเข้าไปใกล้มันกลายเป็นจุดไปราะเป็นจุดๆๆๆจุดจเต็ไมไปหมดเลยความเป็นขนมปังหายไปหมดเลยแจะจุดลคนเรา มนุษเราถ้าร่างกายคนเรามองเข้าไปใกล้ๆมันก็เห็นเป็นเซลล์เห็นเป็นท่าตสมัยก่อนบอกเห็นเป็นท่าตุแล้วลึกเก็เห็นเป็นเซลแล้วเซลลคนกับเซลล์สัตว์โดยเอาเข้าไปกินก็ไม่ได้ต่างกันยิ่งมองลึกไปถึงอะตอมด้วยนี่คนสัตว์สเสาวเรือนมันก็ ประกอบไปด้วยสิ่งเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลยอันนี้ถ้ามองอย่างลึกมันก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันไม่ใช่เป็นคนสัตว์สิ่งของแล้วแต่มันเป็นอะตอมมันเป็นอะไรต่ออะไรมากมายแต่ว่าเราถ้าเรามองอย่างมืนเผินเราก็เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอันนี้เรียกว่ายังไม่ตรงตามความเป็นจริง มันจะเป็นแค่สมมติเฉยเฉยมีคำหนี้เรียเพูดกันว่ามองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กตาไม่เห็นอย่างต่เติเมมาก็จะว่ามองมองร่างไม่เห็นธาตุมองคนไม่เห็นธาตุหรือมองคนไม่เห็นขันมองเสื้อไม่เห็นผ้า ไอ้เสื้อมันก็ทำจากผ้านะแต่เราเวลาเรามองเราไม่เห็นผ้าเราเห็นเป็นเสื้อไอ้เสื้อนี่ก็จะว่าไปว่าไปก็สมมุตินะเป็นภาพรวมมองตุ๊กตาไม่เห็นยางแต่ยามก็แสดงตัวชัดเจนอยู่แล้วแต่ไม่เห็นเราเห็นเป็นเราเห็นเป็นตุ๊กตาเห็นเป็นตุ๊กตา ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่บ้างแต่เราไม่เห็นว่าแท้จริงนี่มันก็มันก็ยางเหมือนกันหมดจะเป็นตุกตาจะเป็นผู้ชายจะเป็นตุกตาผู้หญิงจะเป็นตุกตาซูเปอร์ฮีโร่หรือปีศาจมันก็ยางเหมือนกันแต่คนเรามองไม่เห็นเพราะเราไปติดอยู่กับ <c oughs> สมมุตินะหรือที่เราที่กำหนดหมายขึ้นมา มองเสื้อไม่เห็นผ้าหมอทุกตาไม่เห็นยางมองร่างกายก็ไม่เห็นธาตุหรือมองคนไม่เห็นขันทั้งนี้คนมันก็ประกอบไปได้วยขันร่างประกอบไปได้วยธาตุมองไม่เห็นอันนี้เพราะว่ามันมีสังขารปรุงแต่งเข้าไป ทำไมเรามเรามองเห็นสิ่งต่างตามที่มันเป็นการเจริญการเจริญกรรมฐานคือการที่เราฝึกตนเองเพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างตามที่เป็นจริงตัว อ, อย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรือไม่ใช่อย่างที่เราอยาก ก็ต้องมีสติรู้ทันความคิดความอยากที่มันเกิดขึ้นเราก็จนทั่งมีปัญญาเห็นไอ้มายาภาพของของสมมุตินะที่เรายิดมันสำคัญหมายเริ่มต้นด้วยการเตืินสติ เพื่อให้เราได้รู้ทันอารมณ์ปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจในแต่ละครั้งในแต่ละขณะดให้ความปรุงแต่งมันมีสองระดับนะระดับที่เกิดขึ้นในแต่ละขนาดในแต่ละขณะหรือระดับที่เรียกว่ายืนพื้นพอกยืนพื้นแทรกอยู่แทรกอยู่ตลอดเวลา การจราสตรมันช่วยทำให้เราเห็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเช่นอารมณ์ชอบชังโกรธเกลียดอยากได้หรือว่าความคิดเป็นนั่นเป็นนี่ใจลอยคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงที่ทำงานมีสติรู้ วางกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอะไรเนี่ยก็อยู่กับงานอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวแต่ในขณะที่เรามีสติอยู่กับกายเนี่ยมันก็ยังยังถ้าพูดอย่างที่สุดก็ยังไม่เห็น กายอย่างที่เป็นนะคือมันยังเห็นเป็นเห็นกายนี้เป็นดุ้นเป็นท่อนนะมันไม่เห็นเป็นเป็นธาตุไม่เห็นเป็นเป็นขันที่ถูกปูนแต่งซ้อนเข้ามาทีอย่างเช่นเราเราเราล้างรถนะ บางดีใจก็ลอยไปถึงลูกไปถึงงานการแต่พอมีสติรู้ก็กลับมาอยู่กับการล้างรถแต่ในขณะนั้นเรายังเห็นเป็นรถนนทั้งที่คาว่ารถไม่เป็นสมมุติมันไม่ใช่เป็นรถนะมันก็แค่การประชุมกันของเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆล้อยางเพลาฝันเฟือง เบาคัด c ีไอสิ่งนี้มันไอตัวรถจริงจริงมันไม่มีมันมีแค่สิ่งประกอบแต่พอมันประกอบมารวมกันแล้วก็เรียกว่ารถแล้วเราก็คิดว่าเรากำลังล้างรถอยู่ตอนนั้นก็มีสติโอาการล้างรถแต่ว่าตอนนั้นอารมณ์ปรุงแต่งที่จะดึงพาเราไปเรื่องงานเรื่องการก็ไม่มีเราล้างรถอย่างมีสติ ไม่มีความอยากจะให้มันเสร็จไวๆอยู่กับปัจจุบันแต่ก็ยังมองยังคิดว่ามันเป็นรถอยู่ยังคิดว่ามันมีตัวตนของรถอยู่อันนี้เรียกว่าไ อ, ไอตัวนี้แหละที่มันเป็นเป็นความปรุงแต่งที่มันยังซ้อนซ่อนยืนพื้นอยู่ตลอดเวลา การเจลสติยังไม่สามารถทาให้เราได้เห็นความจริงว่าที่แท้จริงแล้วตัวรถมันไม่มีแต่ว่าบางทีก็จะเห็นว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่รถนี่มันเป็นเหล็กมองรถไม่เห็นเหล็กนแต่ว่าพอพอมีสตกิก็เริ่มเห็นแล้วมองรถก็เห็นเหล็กแต่ว่าปัญญา ยังต้องมีมากกว่านั้นจงทั้งเห็นว่ามันเป็นสัตว์ว่าการรวมกันของสิ่งของปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบกันเป็นรถคือสามารถที่จะแยกเห็นจงทา้งเห็นว่ามันมันไม่ใช่รถนะคาว่ารถนี่ก็เป็นแค่สมมุติเรียกในการการ คำมสตร์ที่พนาเพื่อเห็นเ่ห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นตามความเป็นจริงแต่เราถูกครอบความคิงเรามันใจเรามันถูกครอบด้วยการมองอะไรเป็นเป็นภาพรว ม, รวมอย่างที่เขาว่าคณะคำว่าคณะสันตติบทบังอิจังอิทธบทบทบังทุกครั้งแล้วก็คณะบทบัง อ น, นัตตาขนาบุรุษภาพรวมๆการมองเป็นภาพรวมหรือมองเป็นสมมุตินั่นแหละคือพอติดอยู่กับสมมุติแล้วนี่มันก็ไม่เห็นจริงต่างตามที่เป็นจริงเห็นเห็นเสื้อไม่เห็นผ้าเห็นตุ๊กตามไม่เห็นอย่าง มองร่างกายก็ไม่เห็นธาตุอันนี้ก็หมายถึงทางบริรขิเลันนะก็คื อ, อภาพรวมๆที่ปรุงเป็นสมมติขึ้นมาแล้วเราก็ติดอยู่ตรงนั้นนมันบังมันบดบังความจริงทำให้เราไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นจริงการเจริญสติสัมมาทิฏฐิภาวนาและวิปัสสนาคือเพื่อที่จะมองทะลุ มองทะลุไอตัวนี้จนเห็นความจริงแต่ก็อย่างที่บอกคือต้องเริ่มต้นจากการเจริญสติก่อนเพราะว่าความปรุงแต่งนี่มันมีมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นขณะขณะ ก, ก็มีเราก็ต้องรู้ทันกวารปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเพื่อทาให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นจริง แล้วก็เป็นจริงแบบแบบที่ยังเป็นสมมุติอยู่นะต้องมองให้ทะลุสมมุติเข้าไปทีจนเห็นความจริงแท้เรียกปรมาทสัจจะตรงนี้ต้องอาศัยวิปัสสนาต้องอาศัยปัญญาแนละ้วแต่ปัญญาต้องอาศัยสติเพราะถ้าไม่มีสติเราก็ไม่สามารสิ่งต่างๆที่เป็นจริงได้เหมือนกับเราจะมองอะไรต้อง ต้องให้มันนิ่งเราจะเราจะดูสัตว์มันก็ต้องมัดมันให้มันให้มันนิ่งก่อนว่าดูว่ามันเป็นอะไรมันไม่สบายแต่มันดิ้นตลอดเวลาต้องมัดมาให้มันนิ่งจุกอยเห็นมันอย่างที่มันเป็นได้การมัดก็คือการที่ใช้สตินะคือสติคือเอาสติมาเป็นการที่เอา เป็นเครื่องกำกัดจิตไว้กับอารมณ์หน้าที่ของสติคือกํากับจิตไว้กับอารมณ์หรือเหนี่ยวรั้งอารมณ์มาสู่ ม, image, มาสู่จิตกํากับจิตไว้กับอารมณ์ไม่งั <S <S 2> <S 2> ้นจิตมันยิ่งพลรางไปทั่วก็ไม่สามารถจะมองอะไรอย่างที่มันเป็นได้ชัดๆต้องมีสติกํากับจิตไว้กับอารมณ์หรือเหนี่ยวอารมณ์ไว้กับจิต เนี่ยอารมณ์คือยึดมัดอารมณ์มันเอาไว้ให้มันนิ่งจิดจะได้ดูเราก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นอันนี้ก็เป็นเป็ น, ป น, ปนหลักในการปฏิบัตินี่คือให้เราก็จะไว้เรื่องการมองสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงนี่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยตโนมัติเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตโนมัติ ใช่ที่จริงคือการที่มันถูกปรุงแต่งนะอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งแบบที่รู้ทันบ้างปุงแต่งแบบที่ไม่รู้ทันบ้างหน้าที่เราก็คือการที่เรารู้ทันความปรุงแต่งนะั้นจนได้นความจริงและถ้าเราเห็นความจริงขั้นปรมติม์ดได้มันก็การปล่อยวางความมีติดถือมั่นก็เกิดขึ้นได้จิตก็เป็นอิสระ ก็ไม่ทุกไปกับความผันปวนแปรปวนของโลกภายนอกและของกายกัดใจอ่าชอนี้ก็เพึ่อมเท่านี้บ